ประเภทของปัญญาในพระพุทธศาสนาจัดประเภทของปัญญาไว้หลายอย่างขอนำมากล่าวไว้พอเป็นสังเขปดังนี้ปัญญาสองจากวิสุทธิมักปัญญานิเทศ 1. โลกิยปัญญาปัญญาขั้โลกีคือวนอยู่ในโลก 2. โลกุตระปัญญาปัญญาขั้นโลกุตระคือข้ามพ้นจากโลกปัญญาสองจากพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเสขาปัญญาหรือเสขาปัญญาปัญญาของผู้ยังต้องศึกษาคือพระเสขา หมายถึงพระอาริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์อเศขาปัญญาหรืออเศขปัญญาปัญญาของผู้ไม่ต้องศึกษาคือพระอเศขาผู้หมดกิเลสแล้วหรือพระอรหันต์ปัญญาสจากพระไตรปิฎกเล่มส1อ หจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด 2. ส, สุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังหรือการศึกษา 3. ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมคือปฏิบัติ ปัญญา 3. าจากอภิธรรมมัธวิภาวินี 1. อายะโกสนฉลาดรู้ในความเจริญ 2. อ, อปายะโกสนฉลาดรู้ในความเสื่อม 3. อุปายะโกสนฉลาดรู้ในวิธีการ ปัญญา4จากพระไตรปิฎกเล่มส1บอความรู้ในทุกข์คือทุกขทุกขอความรู้ในเหตุให้ทุกเกิดคือทุกขาสมุทัยทย 3. ความรู้ในความดับทุกข์คือทุกขะนิโรธส ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับถุกคืออริยมรรคมีองค์8ดมีข้อพึองสังเกตในเรื่องปัญญานี้ว่าทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าปัญญาที่มีติดตัวมาเช่นชาวไวัยไหวพริบเป็นปัญญาขั้นสูงสุดแต่ถือว่าปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้นด้วยการคิดการศึกษาและการปฏิบัติจึงเป็นปัญญาสูงสุด ที่สามารถช่วยพ้นทุกได้ทั้งนี้เพราะชาวไวไัยวัพริบเป็นของมีได้ไม่เหมือนกันส่วนปัญญาประเภทที่อบรมให้เกิดได้นั้นทุกคนมีสิทธิ์เล่าเรียนศึกษาคิดคน้นคว้าและปฏิบัติให้เกิดปัญญาได้แบบเดียวกับไฟธรรมชาติเช่นไฟป่าเราไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาที่ต้องการมนุษย์จึงประดิษฐ์ไม่ขีดไฟหรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ที่ให้เกิดไฟได้ในทุกโอกาสที่ต้องการแม้พระพุทธเจ้าเองที่ตรัสรู้ก็ไม่ใช่ตรัสรู้อย่างลอยๆยต้องอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะการลงมือปฏิบัติตึงตรัสรู้ได้จึงเป็นอันเห็นได้อย่างหนึ่งว่าในพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยรอสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติหรือคอยโชคชะตาให้ถึงวันดีคืนดี ละฉลาดขึ้นมาเองเลยพระพุทธศาสนาสอนให้ลงมือการกระทำเหตุที่เหมาะสมเพื่อได้รับผลที่เหมาะสมจึงเป็นศาสนาที่ไม่สอนให้คขวนชีวิตไว้กับโชคชะตาหากแค่รู้จกรรักทมหรือสร้างสิ่งที่ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ตน